เกิดคนล้วเนี่ยเนาะไอ้คนเมื่อไรก็กับบ้านมาชัยคนดีอยู่ที่ไหนก็โลกได้อาศัยมนุษย์สัตว์โลกได้อาศัยันชั่วอยู่ที่ใดโลกก็สูญสูญหายม น, นุษย์ก็ลำบาก เราจะอยู่ในโลกกันอย่างไรโลกนี้มันก็มีแผ่นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตมันหมุนแล้วก็มีลูกมีน้มที่อยู่ก็โลกมันก็จีบหายพอโลกหมุนไปลูกนี่ก็จีบหายพโลกที่มันหมุน หมดไปเรื่อยเหมือนกันแต่ว่าอะไรอยู่ในโลกนี่ก็เป็นอยูน่นี้ตกอยู่ในความไม่กินลังยั่งยืนให้เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนป้องกันไม่ได้แล้วเราก็มีน้ำมีธาตมีน้ำ นี่เกี่ยวกับโลกเวลาฤดูต่างๆก็เป็นไปตามโลกแล้วฤดูร้อนก็ร้อนเดี๋ยวดูหนาวก็หนาวนี่สิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเราอยู่ในโลกอย่างไรการชีวิตหนึ่งนี่ มีมีลูกมีนามอย่างนี้เราใช้ชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวอยู่กับโลกสัตว์โลกกองเยอะแยะดมนุษย์เิ้ลูกนี่ไอ้อาศัยยังหานมรอากาศไายใหญ่มีแผ่นดินมีป่าไม้มีแม่น้ำมี อะไรที่จัดโลกได้อาศัยหลายหลายอยา่างหลังจะเสื่อมสูญหรือหมดไปแต่เราอยู่กับโลกไม่เป็นโลกก็จะบหายอยู่กับโลกเป็นโลกก็ยังจะยังอยู่ไม่เพิ่งไาอาศัย แ, แต่เรามีรูปมีนามนี่ เราเอาศัยรูปอย่างไงอาศัยน้ำอย่างไรกันถ้าอยู่โดยชอบก็ได้ประโยชน์ถ้าอยู่ไม่ชอบเป็นโทษต่อลูกหรือต่อน้ำเองเทุกข์เป็นโทษถ้าอยู่โดยชอบก็ได้ประโยชน์เกิดมากเกิดผล เมื่อมันเกิดมาเกิดผลในรูปในนามก็เป็นประโยชน์ต่อสัตว์โลกนหรืออีกต่อไปเราจึางมาอยู่โดยชอบก่อนโดยตามหลักศาสตร์สนาในบทดีเวศตามพุทธศาสนาใช้ชีวิตนีอยู่โดยชอบมีรูปไม่ใช่รู ป, รปมันเป็นประโยชน์ เป็นมหาพูดต่รูกเป็นโลกอาศัยให้ทำประโยชน์มันมีธาสี่มีขนันธ์หน้าถ้าเราทำให้โลกอาศัยก็เรียกว่าโลทต ะ, ทะกริยาประโยชน์ต่อโลก ชีวิตหนึง่งทำให้มีสิ่งที่อาศัยได้ก็เป็นยาตตะจิยาประโยชน์ต่อญาติสังคมและก็พุทธตะจิยาประโยชน์ต่อศาสนาต่อสังคมต่อส่วนรวมต่อตัวเองเกิดมาเกิดผลขึ้นมาเกิดมาเกิดผลขึ้นมา จากรูปนี้จากนามนี้มีถาวรใจให้หมายถูกต้องมีรูปใช่รูปให้ถูกต้องมีนามก็ใช่นามให้ถูกต้องโดยหลักสัจธรรมมันเป็นรูปทุกมันเป็นนามทุกเป็นรูปสมมูลเป็นนามสมมูิเป็นรูปบัญญัติเป็นวัตถุอาการต่างๆ อย่าหลงโลกดูดีๆมีแต่ประโยชน์แม่มันเมีความทุกข์กจะเกิดความไม่ทุกข์ในคราวเดียวกันแล้วแต่เราจะใช่อย่างไรไม่ใช่เรายอมรอบจำดนส่วนความไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยให้ความไม่เที่ยงลืนกินเวลาเราล่มลูกลกุคานไปกับความไม่เที่ยง สมัยเที่ยงนี้ก็พาให้เป็นสุขเป็นทุกข์เศ้าโศกเสือใจบาดภาคเกของัาของชอบใจอยู่เสมอก็ถูกโลกลงโทษเราจึงมามีหลับอยู่โดยชอบกันเถอะมีสติสมประัญญะดูโลก เหมือนพระพุทเจ้าว่าสู่ตั้งหลอยจังหวะรโลกนียอาวิจิตตกาดูดรดจะลดที่ขนเขาพะกันหมกอยู่แต่ผู้มีสติมี ส, สัญญาจะหาค้องอยู่กับโลกได้ไหมมาดูโลกกันอันมีสุขให้ดูมันมีทุกข์ให้ดู ถ้าดูแล้วก็ไม่เป็นสุขก็สุขเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะความทุกข์มันเป็นไม่ได้เรียกว่าอยู่เหนือนโลกคนผู้ดูโลกก็ยอมเห็นโลกตามความเป็นจริงก็จะได้บทเรียนแล้วก็หลุดพ้นจากโลกไม่ให้โลกทับถมไม่มันมีโลกกระทม เห็นเราเสริญเสิญสุขทุกข์ได้เสียเส่อมยศเสียมลาบเสียมอะไรบางทีก็มีลาบมียศหมนเนี่ยมันเป็นโลดของโลกถ้าอยู่ไม่เป็นก็ถูกโลกเหล่านี้ทับถมได้ถ้าเรามีสติมีสัญญกกสงญญาลาสีอยู่กับโลกได้ไม่ สูญหายไม่แต่วินาทีเดียวแต่ทําประโยชน์ด้วยซ้ำไปมีรูปก็ใสรรูปไปทําความดีมีรูปก่อเส่รูปเวล า, วาความชั่วมีรูปก่อเสรรูปเพื่อเป็นประโยชน์มีมทาวานมีมือมีปากเี็จิตใจ ใ, กกใช่ปากก็เป็นความดีใช่กายก็เป็นความดีใช่ใจก็เป็นความดีไม่ไม่มีที่ค้องติดไปได้ปูผมชีวิต ท, ที่ปูผมไปเลยที่จริงได้ประกอบด้วยเมตตาผู้จริงได้ประกอบด้วยเมตตา สมสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าหรือรับหลังในเพื่อนของมนุษย์สัตว์โลกที่มีเพื่อนเกิดเจอบเจ็บตายด้วยกันนี่ก็เป็นทะวันของชีวิตที่เป็นรูปนี้ใช้ได้อย่างนี้แต่บางชีวิตก็ใช้ไม่เป็นว่าทุสลย้ย เราไม่ดีให้เกิดขึ้นก็เป็นคอยตัวเพื่อนล้วงโล ก, โลกตัวสภาพจริงทั้งหลายเราก็สามารถใช้ได้สิทธิเช่นเวลามันเกิดไหลต่อรูกเราก็มีสิทธิที่จะเลือกได้ชีวิตนี่มันเลือกได้ อยู่โดยชอบได้เราจะไม่เป็นอะไรกับโลกเราจะได้เห็นเราไม่เป็นกับมันแล้วเราก็ใช้ได้ด้วยแล้วก็ช่วยคนอื่นด้วยช่วยจริงต่างๆด้วยแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปี สิ่งที่งอกงามสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโลกก็เกิดขึ้นได้ร า, วาะวา่าไม่มือถาวอย่างใดไม่ดีทั้งเหมมันดีซะย่างใดมาชดเชมให้มันดีขึ้นมาได้ในโลกนี้มันมีวัตถุน้ยาการ จึงมาอยู่ในโลกแบบสางงามกันเถอะไม่ทําให้อะไรลําบากแม่โลกจะเป็นอย่างไงเราจะอยู่ตรงนี้โดยที่ไม่หลบหลีกไปไหนด้วยความบริสุทธิ์ใจโมโจดจากเครื่องที่จะเกิดทิ้เกิดภยัยไม่เป็นภยัยต่อตัวเองไม่เป็นภยัยต่อคนอื่นจึงอื่วัตถุอื่นอย่างเนี้ย มันเลือกได้มันสง่างามจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะคูดเหยียดเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมันมีระเบียบของมันรูปนี้มีระเบียบของความถูกต้องถ้าผิดระเบียบก็ผิดพลาดจะไม่ชีวิตที่ผิดพลาดได้ ในความผิดพลาดเกิดความถูกต้องคือบทเรียนที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมย้อปฏิบัติตามธรรมธรรมก็นำพาไปถ้าปฏิบัติถูกศีลก็จะนำพาไปศีลจะรักษาให้อยู่รอดปลอดภัย สมาีิก็รักษาปัญญาก็รักษาลูกนี่นามนี่นี่ว่าทำนำพาไ้สู่มากคสุผลสู่ความหลุดพ้นวิธีที่ใช้ชีวิตที่ให้เกิดความชอบมีอยู่สามหลักสาสอนของคุตธศาสานา นั่นมีสติเป็นกายเป็นประ จ, จําหัดเด้าหัดหยุดนัดยืนอยู่ตรงนี้ให้มั่นคงอเลยเกิดขึ้นมาก็มีสติออกต้นรับถ้าเราหัดมันก็มีให้ใช้ถ้าเราไม่ฝึกหัดมันก็ไม่มีให้เราใช้เรา จ, จะรับเอาทุกอย่าง เวลามีอาการอะไรเกิขึ้นก็รับเหมือนจุกกรับจุกหมันทุกข์กรับทุกส่วนมากเกิดรับแต่จริงที่มันไม่ถูกต้องกลายเป็นนิสยัยจะต้องพึขข่งขาดกันตัวใครตัวบ้านชวนกันไป เด้งกันไปรอกันไปอย่าโทดจะทิ้งกันมีอะไรที่จะเคลียรจะบอกกันก็พูดสู่กันฟังมันมีปากมันมีวาจามีสมมุติใช้ภาษาลู่เรื่องกันรู้ดิพี่รู้หนึ่งนอกรู้รสง พี่รู้สองน้องรู้หนึ่งมีในโลกนี้อย่าไปสู่คนเดียวอย่าไปทุกคนเดียวแล้วก็ช่วยกันให้เป็นหาช่วยตัวเองช่วยเตียงอย่างไรก็ช่วยคนอื่นอย่างนั้นมันมีสูตรเช่นเรามีจัเด็กไปในกาย เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจให้เปลี่ยนถึงนน้มาดีให้เป็นความดีแล้วก็เปลี่ยนได้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็เปลี่ยนได้แล้วก็เกิดความขยันเห็นที่เห็นทางเคยเดินไปแบบนี้นก็เลยเป็นทางไปเอง วลาใดที่มันเกิดความทุกข์ก็เห็นความไม่ทุกข์เป็นทางไปไม่โจนเวลาใดที่มันโกรธก็เห็นความไม่โกรธเป็นทางไปอะไรที่มันหลงก็เห็นความไม่หลงเป็นทางไปถ้าให้หลงเป็นหลงก็ลกลงหลังมันไปไม่ได้มันโคขะถ้าหลงเป็นลูกลาบโล่งมันเตียน มันบริสุทธ์หมดจดเคยเดินแบบนี้มาอุกหลงที่ได้รู้ที่นั่นก็ยิ่งทางก็ดิ่งเห็นได้ชัดเจนไม่อยู่ตรง น, นั่นแล้วมันก็ไม่โจนชีวิตที่ไม่โจนทอดใช้ชีวิตให้เหมือนถูกอย่างนี้แลได้บทเรียนจาก ่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจนี่มันหลงจังได้ความไม่หลงมันทุกข์ังได้ความไม่ทุกข์สัมผัสเราเองเป็นปัจจัตตังเค็ดจิงอย่างไรโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเจอของเค็ดของจิง ต่อหน้าต่อตามันไม่คุ้มเคือไม่สุมสี่สมห้าเลือกและอย่างงดงามสิทธิความเป็นธรรมความชอบธรรมเกิดขึ้นที่รูปที่นามนี่รูปนามก็ได้ความเป็นธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจะ ก็ไม่เป็นธรรมเช่นกุศลหรอกุศลมันมีมีอยู่มมีกุศลอกุศลเกิดขึ้นได้ที่รูปนี้ที่นามนี้ไม่ไม่เกิดขึ้นที่รูปที่นามนี้ก็เกิดจริงเวทล้อมโลกมันปุ่นแล้วก็อยู่กับสัตว์สังคม เมื่อโกชอนเกิกดขึ้นที่คนอื่นผู้อื่นกับคนอื่นสัตว์อื่นเพื่อนโลกโลกได้บางทีก็เป็นลูกหลงวิโราไปไประสบเข้าเอาแล้วก็อยู่โดยชอบแต่ว่าคนอื่นทาให้เราได้ผิดพลาดได้ ขวงทางได้ไปทางขวงก็มีหรว่าดีละฉานคนดื่นไปทางขวงเราจะไปทางที่มันเป็นทางค น, นมาขวงไว้มีเหมือนกันในโลกนี้ก็ลู้หลกเป็นปีกดูกเด็กเป็นหางตายดูจั ก, จา ก, การลเทจะคนดีอย่าไปอยูอ่ใน คนผ่านก็จะแสดงความดีในหมู่คนผานก็ไม่ได้คนผานจะมุ่กลุ่มคนดีจะแสดงในความเป็นคนผ่านในหนูในกลุ่มคนดีมก็ไม่ได้รู้จักเอาตัวโลดตามศีลสมาธิปัญญาเวลาใช้ศีลเวลาใช้สมาธิเวลาใช้ปัญญาเลือกใช้ได้ สนใดที่เปินศีลเป็นสมาธิบางทีพูดความจริงไม่ได้ในหมู่คนฟางในหมู่คนฟางพูดความเท็จไม่ได้ในหมู่บันเด็ดก็มีปัญญาเดี๋ยวว่าผู้มีศีลรู้จักบุกคคลรู้จักสถานที่รู้จักการเวลา การทําดีก็ถ้าไม่ถูกสถานที่ไม่ถูกบุกคคลไม่ถูกเวลาก็ไม่เป็นประโยชน์เรว่อการยุติ้รรมเรื่อการเวลาบุคคลุปรัญญุตเจอกับบุคคลปริศัญยุตาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรทำ ม, มันยุติจะใช่ยิ่ามายาอาการ ต่างกายวาจาอย่างไรไม่รู้จักเป็นตาช่างเราจะอยู่อย่างปลอดภัยถ้าไม่รู้จักเกลื่อนเวลาไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักทำมาจะเกิดความผิดพลาดได้เราไม่ทํำบาปทากรรมหลายมาคนอึ่นก็จะทําให้เราพ่วงไปได้ เพราะเราม่รู้จักการเวลาไม่รู้จักบุคคลไม่รู้จักสถานที่ไม่รู้จักใช่าวาจาคำพูดไ ม, ม่รู้จักใช่ศีลใช่ธรรมงูนี่ก็มันก็จะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาให้เราได้ใช่ถูกต้องผู้มีสติมีปัญญามันเป็นไปนเอง รอดได้สามารถผ่านได้ในยุคที่มันเป็นเสี้ยนเป็นหนามบานทีก็นิ่งบางทีก็ต้องแสดงบางทีก็ไม่แสดงเช่นเวลามนันเกิดกับเราเวลาใดที่มันมีความโกรธเกิดขึ้นก็นิ่งไม่ควรพูดในเวลาโกรธ เวลามาเกิดคนอื่นเงียบ น, นิ่งไม่ควรพูดเวลาคนอื่นกำลังดูกำลังดา่ากำลังจะเป็นทุกข์หมดตัเราคนนี้กูว้อย่าออกโต้โต้ตหงายเถอะผลจะไปหาเหตุในผลกับคนผ่านมันไม่ได้เหมือนกษัตริย์ที่มันเป็นนับภูมิกัน ตวดาจะแบบที่บายให้จัดนรกวังมันก็ไม่รู้เรื่องดอกเพราะผมฟังเขาเขากำลังสวยวิบากกรรมหลังตัวโสโมโ ห, หอยู่เขาไม่รู้เหมือนกับเขากำลังจินอาหารจินนมูจิ้จนคูดเราจะไปอาหารดีๆให้มันไม่เอามันหนอนอยู่ในคูด เราไปเกียวขึ้นมาก็ไม่ขึ้นหนอกมันจะมุดลงไปเหมือนเดิมจึงรู้จั ก, จกบุคคลรู้จักการเวลากับใช้ชีวิตในโลกนี้มีสติมีปัญญาแล้วก็จะใช้ชีวิตเป็นปฏจจดตังของส่วนตัวเลือกได้จริงจริงชีวิตนี้ช่างดีเหลือเกินมีรูปมีนามมีโลก มีสัตว์โลกอยู่ร่วมกันเนี่ยก็มีศาตร์มีศีลมีธรรมะปฏิบัตินะักปฏิบัติมันมีศาสตร์มีศีลจะก็ไหวจะได้ใช้และได้ใช้จริงจิงถึงเขาแก่เขาเจ็บเขาตายมีอยู่จริง หากไว้ถ้าพุทธคาได้สาเร็จหรือว่าได้ปัญญาเหมือนกับปัญญาสวนโมกเขาพูดว่าที่นี่ปัญญาสวนโมก ค, คือตะหัดตายก่อนตายตายก่อนตายนิพพานคือตายก่อนตายหรือว่าปัญญายาตปัญญา กำหนดรู้ในการรู้ตรีละคณาปัญญากำหนดรู้ในการแกะแกงไม่เป็นรุ่นเป็นก้อนวาหาหน้าปริยาเพว่มรู้ในการทําให้จริงที่มันมีหมดไปลหมดไปไม่มีตัว ม, มีตนที่จะเป็นรับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าตายก่อนตาย สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่วันเหนือนี่ไปแล้วมันจะไม่ีอะไรมาทำให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไม่ได้อะไยพูดภาษาโกหกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกนี้ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยสุขวันมีก็เป็น เป็นช่างหม้มันในความถุกทุกคนมีก่็ช่างหัวมั น, น, มน man, ไม่เป็นอะไรกับมันมันมีความแจอะก่บช่างหม้อมันหม้อให้ความแไปมควาเจอว่าหม้อให้ความเจ็บไปเราได้เจ็บทุกความเจ็บง่ายงเห็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บพูนจากความเจ็บง่ายๆอย่างนี้มันไปทางนี้แล้ว มันมีทุกก็เห็นวันทุกไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากความทุกข์มันไปง่ายๆอย่างนี้เกณฑ์เดียวเกีตเดียวเกตเอชีวิตเกีตเอทำเองก่าตายก็ไม่ก็เห็นเหมือนตายไม่ได้ตายผู้ตายพ้นจากความตายชีวิตเกียตเอไม่เลว ที่หลวานี้พานคือตายก่อนตายปัญญาคือตายก่อนตายมีได้มนุษย์เนี่ยมันเป็นจัดประเสริฐมันหัดได้หัดกายหัดใจมาใช่เพื่อการ น, นี้จะว่าเกิดสัมมาทิฏฐิจะเริ่มจากเ้าวแรก มีสติเปในกายเป็นประจอมทำไมจะไม่เห็นมีความเพียรมีสติถอนความพอใจความไม่พอใจที่มันผ่านหน้าขวางหน้าเนี่ยออกมามีสติไปความสุขก็สักวะถุกไม่ใช่ตัวใช่ตนนั่นถุ ก, ก็สักวะุกไม่ใช่ตัวตน มองเห็นอย่างนี้ก็ใช่อันเดียวนี่นว่าเกลียดเองไปเรื่อยๆแม้แต่เกิดจากความคิดจิตก็จากวัจิตไว้วใช่สัตว์บุคคลตัวตนตามว่าัตถนธรรมบางทีมันเกิดจากรูปจากนามไม่ความเสือ่อมไม่ความเปลี่ยนแปลงหมายใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรโข มันก็ไปอย่างนี้ปวดไปอย่างนี้มันมีเงื่อนมีผมปวดไปง่ายอย่างนี้ทำอะไมจะทำไม่ได้มันสะดวกกว่าที่จะทุกข์ให้เป็นทุกข์ทุกข์ที่ต้องไม่ทุกข์หลงที่ต้องไม่เป็นความหลงในมันสะดวกมันเรียบไม่ได้ทวนอะไร ไม่เฉียวเวลาไม่ปูไม่แพ้ไม่ขึ้นไม่ลงเหมือนทะเลเรียบอวิ่งเรือได้ง่ายดีถ้าทะเลไม่ขึ้นก็วิ่งไม่สะดวกกระทบ ก, บทกระเทือนสุกเป็นสุกกระทบกระเทือนทุกเป็นทุกกระทบ ก, บทกระเทือนเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุกพ้นจากความสุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกขุนจากความทุก มันเรียบแย่เนี้แผ่นดินนี่ถ้าจะเป็นแผ่นดินมันเรียบอย่างนี้แผ่นดินที่เรียบอย่างนี้คืออาการอย่างนี้ยิดใจที่มันฝึกบรรดาทางเรียบอย่างนี้ตามผาสมผสมพูดจึงสอนชัดเจน ราศีอ่ะยังไม่ตายจะมาตัดสรูปเมื่อแผ่นดินเรียบเป็นหน้าของชายหน้าของชายมันเรียบรป็นกองเช่นนั้นคือการก็หัดมันได้ทางก็เรียบอย่างนี้มันจึงไม่เสียชาติที่เกิดมามันมีทางอยู่ตรเนี่้ทำไมเราจะไม่ต้องเดินจะท้อทิ้งจะใจ มาหัดเดินหัาใช้ชีวิตตั้งแต่เป็นหนุ่มเนื้อแข็งแรงมากเนี่ยเตีบท่า ม, มือเหมือนน้องตาบวดต้องเจ้าเมื่อวานนี่ว่าการทำทางกายมันทำได้เมื่อวัยเนื้ อ, อแข็งแรงมากแต่เมื่อวันเนื้ออ่อนแรงน้อย หนุมน้อยลงวมแก่มากขึ้นมันทำไม่ได้มาใช่หวา จ, จ่าทำมันก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์ได้ผลเท่าที่ควรการบอกผิดบอกถูกใช้หวาจาสอนกันนี่มันทำได้ยากเราบอก คนที่ถูกบอกถสอนก็ไม่ทําตามมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้แต่กรรมฐานนี่ไม่มีใครบอกเราไปเจอเข้าเองแล้ว เ, เห็นเองมีสติดูก่ายเคลื่อนไหวเห็นใจบันทิดเนี่ยมันจะทํำยังไงตรงนี้เห็นกายเคลื่อนไหวเห็นดูก่ายเคลื่อนไหวเห็นใจบันทิด จริงที่ไมไม่ถูกต้องเกิดกับกายก็เห็นถ้ามีสติที่งไม่ถูกต้องเกิดกัด จ, จิตใจก็เห็นผู้มีสติจะเป็นอย่างนี้ต่อหน้าต่อตาเห็นแต่ต่อหน้าต่อต า, ตอ า, ตอตาไม่ต้องถามใครก็เห็นวันหลงแล้วก็เห็นต่อหน้าต่อตาเราก็ไม่จนตรงนี้ ถ้าเห็นด่าถือว่าไม่โจรเหมือนเราเห็นงูงูก็ไม่ได้กัดเราตัวเราจะออกไปหนีไปห่างไปเหมือนพระพุทธเจ้าแสดงอริสัตถีออกไปหรือว่าวีมุตสามหนึ่งเห็นสองออกไปสามคนไปไกลแล้ว มือนหลีกงูหลีกเสือเล็กช่างหลีกคนบ้าเหล็กข่างเสีบบ้าหลีกคนบ้าร้อยว่าโบราณท่านว่ามันหลีกไปเองเดียวว่าหลุดพ้นพราะกาหนดรู้หลุดพ้นเพระออกไปหลุดพ้นเพระไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว งูไม่สามารถกัดเราได้อยู่คนละที่แล้วก็รู้จักว่าเด้งปลอดภยัยก็าทำอย่างนี้ทุกครัง้งหรือว่างูไก่นายแคกยังวิ่งหาค้อนมันก็ไปทันเหมือนงูบางประเภทเึ่งูสาเนี่ยมันรู้จักเราถ้าเจอกัน เเจอกันมันก็ชูคอใส่หน้หันหลังจะไปวิ่งหาขวอกันวิ่งกมาเกี้ยวขาหรือกัดเอาก็ได้งูเสือมันมีปัญญามานกันนะเห็นเสือเห็นงูจึงไม่ควรจะวิ่งหันหลังให้มันเจอเสือต้องถอยหลังดูหน้ามาตามันตาต่อตากัน องูก็ต้องถอยหลังดูมันอย่าหันหลังให้มันนี่เรอหันหลังให้มันงูกเคยไหนแฉ่งึงวิ่งหาค้อนหันหลังให้งูกักดต่อมันเอาเมื่อเผอเหมือนหมาหมาวิ่งมปหาเราเนี่ยเราหันหลังวิ่งให้มันวิ่งมปหาค้อนมััดเรา เวลาหมาวิ่งมาฮะเราต้องหัดหน้าเจมันยกมือขึ้นคือจนเรื่องนี้ไม่ได้จากบ้าบ้านหลังนี้หมามันดูพอไปหล้มันวิ่งมาไม่เห่าไม่ให้ลู่เลยมันวิ่งมาแล้วก็เจอตาต่อตามันแล้วก็ยืนมันก็ยืนหยุดแต่เราไม่เห็นมันก็กัด เ, าเรานี่ มองตามันตาตอตาเมื่อมองตาเราก็มือก็มือแขนก็ยกขึ้นยกมือแขนขึ้นดําน้าจะตีมันมันก็ดูมือของเราเมื่อมันดูมือของเราเราขาก็เตะไปเลยเตะต้นคอมเลยหมาก็เลยวิ่งหนีเลยร่งหนีไปเลยนี่คือตาตอตา เห็นความหลงนบหลงเป็นหลงนะหันหลังให้แล้วเหย๋ยบเพียบมันแล้วเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงเขอดูมันเลยเนี่ยพ้นจากความหลงวิธีปฏิบัติทำมามีศาสตร์มีศมินอยู่นะมันไม่หนักอะไรทำเรื่องยากทำมัง่ายเนี่ยเราดีกรื่งเราไม่กรรมฐานเนี่ย กลับมากโดดลู่ด้วยการลู่เนี่ยไม่ต้องไปแก้มันมันเกิดกิเลสตัณหาขึ้นไม่ใช่ไปกลมมันไปอดดอกกลับมารู้จักตัวมันเกิดขึ้นมีกรมมรรคปฏิฆาเกิดขึ้นกลับมารู้จักตัวเนี่ยไม่ได้ไปแก้เลยเมื่อให้ความชาคัญตัวนี้ตัวนั่งกลับมาให้ข้ามันเลย มันเลยกลับมาอยู่ตัวนี้เป็นอย่างนี้ทุกครักลับมาทางนี้มาทางนี้เพราะนั้นพระเจ้าอย่างตรัดว่าม่ให้ฆ่าไม่ที่อาศัยไม่ต้อนรับคือมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจจีไม่ให้่าเจหลงมันหลงกว่าให้ข้าทําไมทําไมทําไม แต่ว่าให้ข้าความหลงสบายจิกแบบนี้นี่ทําไม่ได้เลยนะเนี่ยทํายากเหลือเกินนี่เนี่ย น, นให้ข้ามันแล้วให้ค้าความหลงเอาเป็นเรื่องยากให้ค้าความไม่หลงเอาเป็นเรื่องง่ายหาความง่ายหาความได้ถ้าไม่ได้ก็อ่อนแอไปเลยนี่คือสนใจให้ค้ามัน ทำไมไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติเราจะพูดออกมาสักหน่อยว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับมารู้จึกตัวไม่ให้ข้ามันแล้วมันก็ไม่มีค่าอะไรความหลงก็ไม่มีค่าความทุกข์ไม่มีค่าเฉลี่ยตัณหาไม่มีค่ากลับมาถาความรู้จึกตัวง่ายๆอย่างนี้กลับมาฐานนี่มัน สักชิดจริงๆนะจึงอาศัยหลักที่เป็นเป็นหลักเป็นที่ตั้งไปที่อาศัยเป็นดิมิตรไว้ให้ดีๆอย่าโทษจะกที่ตนลีบางทีเกิดความสุขก็อย่าไปหลงเหมือนกลับมารู้จักตัวซะเกิดความรู้เปิดความสงบก็อย่าไปให้ข้าความสะบกลับมารู้จักตัว เกิดความรู้เปิดปัญญารู้ด้นโลดีเขยจะไปหลงปัญญากลับมารู้จักตัวเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นทางไปเรื่อยไปเรื่อยเขาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยไม่มีอะไรขวางหน้าเอาไว้ข้างหลังหมดเลยเอามาลู่ตัวนี้ออกด้าไปลู่ตัวนี้ออกน้าไปมันจะเป็นทางด่วนเป็นการด่วน ได้อะไรเกิดขึ้นลู่จากตัวกับมานี่นนาะกับผู้ช่วนฟังนี่เนาะสมควรใช้เวลากับพระร่องัน